ตั้งทำตามการตาเวลาเป็นมงคลตอนสูงสุดสนทห า, าทำตามการทาเวลาเป็นมงคลันอนสูงสุดธรรมฉากัจฉาอะไรไม่รู้ถามท่ทานู้ลู อะไรมาเข้าใจทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมยังไม่แจ้งทำให้แจ้งขึ้นมาในชีวิตเรานี่มีสูตรอันเดียวกันมีอันเดียวกันมีสูตรอันเดียวกันหรือว่าพระ ส, สูตรมีธรรมอันเดียวกันหรือว่าธรรม มีวิธีเดียวกันเรียกว่าระเบียบระเบียบของกายก็มีพิมพ์ของกายระเบียบของไหวาจาก็มีพิมพ์ของวหวาจ่าระเบียบของจิตใจก็มีพิมพ์ของจิตใจเรียกว่าแบ บ, แบบแบบฉบับอย่าให้ไม่ผิดแบบไม่อยู่ในแบบ แบบปลอแบบหลอมจะเอาแบบโจรผู้ไา่ก็มีจะแบบพระก็มีเอาแบบผีก็มีชีวิตของเราเนี่ยต้องฝึกตนสอนตนอยู่ในแบบแบบของเรา เ, เวลานี้เราเป็นนักปฏิบัติธรรม ให้มีแบบอยู่เสมอเพื่อหล่อหลอมคิดจึงใดพูดจึงใดทำาจิงใดมีสติสำชัญญะมาก่อนพูดมาก่อนทำมาก่อนคิดถ้าไม่มีสติก็ประกอบเอาไว้สร้างเอาไว้เตรียม เตรียมน้ำกอดแรงเวลามันจนมาได้ใช้ของจนทางสติทำให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดทุกข์เศร้าโศกเสียใจน่าจะได้ใช้ใช่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสจนมันมีโอกาสจนอยู่วิตของเรา มีความจนเป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าในความทุกข์จังอ๋อแล้วนี่คือมันมีอย่างนี้เราจึงต้องมีทรัพย์อาเรียทรัพย์เพื่อแค่จนเวลอนี้อาจจะยังไม่จนต่อไปอาจจะจนแน่นอนเกิดเจ็บเจ็บตาย ชกชีวิตเหมือนกันหมดเก้าไปสู่ความแก่เก้าไปสู่ความเจ็บเก้าไปสู่ความต า, า, ายรันเดือนปีโลกดวงอาทิตย์มันหมุนไปมันไม่หมุนเฉพาะดวงอาทิตย์โลกหมุนมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราจึงต้องยอมประมาทตัวเจ้าสอนขั้งสุดท้าย ท่านทั้งหลายจงยังข้อไม่ประมาทถ้าถึงพร้อมสังขารไม่เที่ยงสังขารเปลี่ยนไปยงตายเราต้องเตรียมเอาไว้วราาับรองว่าเจอเข้าแน่นอนเจอความหลงเจอความทุกโศกเศร้าเสียใจทุกอะไรต่างๆว่าโดยแท้คือทุกข์นั่นแหละนั้นเราจะเข้าอิ่ม เวล า, าอิม่มมันก็ ม, ม, ามาหิวเวลามหิวมาะ <c oughs> ถ้าไม่มีข้าวกินก็อดยากเกินตายได้กินอิ่มแล้วมาอยากนอนหลับแล้วมากลัวไม่ใช่มันมีโอกาสตื่นเวลาอยู่ในก็มรู้สึกตัวบางที ทำให้หาใจในความรู้สึกตัวไม่ประกอบความเพียรต่อไปในความรู้สึกตัวมันก็ดีเวลามันไม่รู้สึกตัวนะตอนตื่นขึ้นมาเราฆ่าโทรศัโมหะมันตื่นขึ้นมาเราต้องมีแบบให้มัน ฉะ้นเรานอนตื่นขึ้นมาอาจจะกลัวเครื่องคืนนอนอยู่ในป่านอนอยู่ในป่าช้านี่ความกลัวด้วยการหลับนี่ความหิวด้วยการหลับตอนมราตื่นขึ้นมาอาจจะคิดกลัวคิดหิวขึ้นมาได้แต่มันกลัวขึ้นมาก็มองเห็นความมองหาความกลัว คิดหาความกลัวความคิดหลอกตัวเองก็มีเหมือนกันเรายังไม่ประมาทเวลานี่อยู่วัดว่าอารามเป็นเพื่อนปฏิบัติด้วยกันเวลาออกจากนี้อยู่ในโลกมันก็คนละแบบให้ฝึกเอาไว้ให้เป็นความ ชนิดชำนาญเหมือนโบราณท่านว่าบัณฑิตเมื่อเข้าสู่สงครามหรือนักลบเมื่อเข้าสู่สงครามก็ไม่ทิ้งดีลาบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้วเมื่อประสบทุกข์เจียรตตายก็ไม่ทิ้งธรรมเหมือนอ้อยมีรสหวานเข้าสู่หยิบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานไม่จัน แม่แห้งแล้วก็ไม่ทิ้งกินอันนี้โบราณท่านว่าผู้ฝึกตนสอนตนเน่ยอันนี้ประโยชน์จริงๆเราจึงต้องมาให้มันจบซะความหลงเปขั้งสุดท้ายใช่ความโกรธเปั้งสุดท้ายความทุกข์เปขั้งสุดท้ายมันมีขั้งสุดท้าย ไม่ใช่มันจะมีต่อไปไม่เหมือนอันเดินอันอื่นไม่มีขั้งสุดท้ายเหมือนความโลภ ค, ความโกรธความหลงความทุกจนพระพุทธเจ้าเห็นว่าชาติทิ้นแล้วพร ม, มจรรย์จบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วถ้าไม่มีเจ่านี้ไม่รู้จะทำอะไร เรียว่าสุดแผ่นดินก็ได้ไปถึงที่เดียวกันถ้าใครลูกแจ้งเรื่องนี้มันก็เป็นของคนนั้นเราต้องไปถึงที่เดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพวกเราทางเดินเช่นเดีย ว, ยวกันไปคนเดียว ไปชูแห่งเดียวกันเรียกว่าสติปัฏฐานสูตูแนวมันมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะพอมีสติลงไปมันก็อ่านออกนี่คือสตินี่คือหลงตัวหลงตัวรู้มันค็อย่างมันปีสู จุดนี่ไม่มีใครบอกตัวเองตอบตัวเอง <c oughs> ไม่มีคำถามเว <c oughs> ลามันหลงมันก็เคยรู้มันไม่เอาเวลามันโกรธมันเคยรู้มันไม่เอาเวลามันทุกข์มันเคยรู้มันไม่เอามันไม่ถูกต้องเราจึงดูเอาสมผัสเอาเห็นเอา ศึกษาด้วยตนเองผิดคนเดียวถูกคนเดียวโดวยเพราะหลักปฏิบัติธรรมหลักธรร ม, มะเนี่ยจนหวนกับเป็นความผิดบ่อยๆก็มีความถูกบ่อยๆมันมีความถูกเพราะมีความผิดอยู่ตรงนั้นจริงๆนั้นเาราลับมีด ฝนไปฝนมากลับไปกลับมามันก็มีคมปลอมรูปบ่อยมันจะไม่ใช่ตู้ใช่ตื้อเสมอไปมันก็มีความคมง่ายกับความรู้สึกตัวแต่ก่อนมันไม่มันไม่คมมันก็หลงง่ายอะไรมาง่าย ท, กกทุก็ทุกเพิ่ทันทีฉุ ก, ก็ฉุกทันทีหลงก็หลงทันทีโกรธก็โกรธทันทีโลภก็โลภทันทีมา ง, ง่ายๆบรนี้มันไม่ง่ายมันง่ายที่จะรู้ง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะไม่ทุกง่ายที่จะไม่โกรธแลวก็ มันก็ดีเมือนเรารับมีดมันมีความคมเมื่อมีความค ม, มก็ตัดอะไรได้ง่ายถ้าไม่มีความคมมันก็ตัดไปขาดยอมหลงเป็นสองสามนาทีสี่นาทีสิบนาทีหรือหลงเป็นข้ามวานันข้ามคืนไม่อยากหลงก็หลง ไม่อยากทุกข์มันก็ทุกข์เพื่อนมันคิดไม่อยากคิดมันก็คิดมันไม่ขาดหนา้าเพราะมันไม่ใช่ไปคิดแบบนั้นหาคำตอบจากความคิดมันเป็นการกระทำถ้ามันไม่ขาดก็สร้างความคม รู้สึกตัวอย่าไปหาเรื่องตอบคําตอบความคิดจากคาตอบความตอบจากความคิดวิธีที่ดีที่สุดคือเรามาลูมาลูมาลูอันนี้คือเราก็มีการตอบในตัวมันเองเราจึงมีการกระทําอยู่แม่มาโกร ไหาเหตุผลอะไรก็ตามมันมีหลักอยู่ของที่มันง่ายก็มีของที่มันทำยากก็มีจิงที่มันทำยากกลายเป็นของง่ายก็มีกิเลสปหน้าตัหารอยแปดถ้ามันมีหลัก ที่จะไปเอาชนะมันก็ไม่มากถึงขนาดนั้นมันมีจุดที่เกิดอันเดียวจะเป็นกิเลสปันห้าตะนาร้อยแปดเกิดจากความหลงแต่จะควบคุมมันก็มีความรู้มมีวงเล็บปิดวงเล็บเปิดมันมีจุด โอนแม่มันใหญ่ก็มีจุดโอนในชีวิตเราเนี่ยมันช้างตัวมันโตมันก็มีจุดโอนจับมันได้ขี่พ่วมันได้เอามาใช้งานฝึกได้รถแทรกเตอร์รถวัยคันใหญ่ๆมันก็มีจุดโอนเพียงจับ มือเอามือไปจับนิ้วหนึ่งสองนิ้วมันก็วิ่งไปมันก็หยุดได้เกีขับเครื่องบินมันมีใหญ่บรรทุกคนโดยสารสามร้อยสี่ร้อยคนสิ่งขององีกหนักเท่ากับตัวเองเ้วห้าสิบกิโล ต้องถือของไปแม่ให้เกินห้าสิบกิโลถ้าเกินห้าสิบกิโลต้องเสียเงินมันก็เท่ากับน้ำหนักของคนมันยังเอาหอ่อเหินเดินนากาศตายตอตาเคยนั่งเครื่องบินจากอินเดียมาเนปาลของแอร์เนปาลเขาไม่เขาไม่ หวงห่ามไปนั่งใกล้ๆคนขับเห็นนั่งดูคนขับข้างเบนเขาเขาไม่ทำอะไรเพียงแต่เอาเมือกดนั่นกดนี้มันโลหงเข้าใช้น้ำกดมันก็ออกหรือตำพริกน้ำพริกเจียงกดเฉยๆน้ำพริกก็แหลกมันมีจุดด อ, อนชีวิตเราก็มีจดุดดอนเช่นกัน มันไม่มากไม่มีพันห้ารอยแปดแล้วก็นี่วิธีที่เราฝึกเนี่ยมันมัน <c oughs> เป็นสูตรอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดหาตามตามพระเจ้าเอกามโควิสุทธิยาเป็นสูตรเป็นเอกะเป็นมรรคเป็นทางหมายเลขหนึ่งทางลวน ด่วนแบบฟรีเวไม่มีอะไรขวางกันด่วนแบบไฮเวก็ยังมีสิ่งขวางกันได้ทูเวก็ยังมีใช่ไหมทูเวหมายของมันไงเห็ <laughs> นแต่เ็เรียกกันนะทูเวไฮเวประเทศไทย แต่ประเทศสหรัฐมีฟรีเวนะ น, วนั่งเฉพาะรถนั่งวิ่งถนนฟรีเวยรถบรรทุกรือสานวิ่งด้วยไม่ได้เรีวยกว่าฟรีเวกาหนด10นาที5นาที20นาทีถึงจหมายปายทางตามหม่ความเร็วของรถ คนรวยอยู่ว่านอกคนจนอยู่ในเมืองไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยคนรวยอยู่ในเมืองคนจนอยู่ว่านอกแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วคนรวยอยู่ว่านอกคนจนอยู่ในเมืองเพราะคนจนต้องนมาหาจินในชุมชนในเมืองเอารวยออกไปปลูกบ้านตามป่าทามเขา เวลาเขาไปทำงานเขากาหนดได้เพราะมีถนนฟรีเว่ใช่ไหมฟรีเว่มันมันด่วนได้กาหนดเวลาได้ถ้ามันผ่านป่าเขาก็ทำตาข่ายล้อมสองขอบข้างถนนไม่จัดวิ่งผ่านแต่มีช่วงที่ปล่อยให้จัดผ่านไม่มาก ถ้า ต, ตรงไหนสัตว์ผ่านให้สัตว์ผ่านเขาก็ทำลอยผ้าขึ้นไปเหมือนทางวงแหวนประเทศไทยนี่คือด่วนเอกา马克โคดตวนเหมือนกับฟรีเวเลยพามันหลงรูปป๊มันโก ด, ดรูปป๊มันทุกรู ป, ป๊มันอะไรก็รูปเข้าไปทันทีเนี่ย มันด่วนถึงภาวะที่รู้สันทีวินาทีรู้เนี่ยมันง่ายอันหลงมันมีเหตุเอเยธรรมาเหตุปปาวาไม่เหตุอยู่มันก็ยากกว่าความรู้แต่เราไม่ชินเนื่ว่ามันง่ายความโกรธมันง่ายความหลงมันง่ายแต่ความรู้ยากเอาจริงๆแล้วมันยากเลยนะ ได้ได้สารพัดอย่างจเป็นโกรธโลกหลงคิดตัชนะอะไรก็ตามถ้ารู้เราโอ้ยสะดวกที่สุดเลยลเราก็เทียนก็ว่าคณแจดอกเดียวดอกเอกเราก็เทียนเปรียบเทียบว่าการเจริญจิตนี้เหมือนกับเลี้ยงแมว แมวถ้าแมวตัวเล็กหนูตัวใหญ่แมวก็จับหนูไม่ได้จับได้หนูก็พะล่าออไปอย่าไปตีแมวอย่าไปโทษแมวตัวเลี้ยงแมวก็ต้องเอาอาหารให้แมวเข้าไปกินให้มันโตอาหารขงวงมโตของแมวคืออย่างที่เราสร้างสติเนี่ย ทำไมสติมันมากภาวิตาเผ่าดีกัตตาทำห้มากจเจริญได้มากอาศัยลูกกายเนี่ยเป็นส่วนประกอบวัตถุประกณ์ริบตากรลู้กอะไรกรลู้ลองโลหัดให้รู้ไปสะตกก่อนแมวมันจะโตขึ้นมาตติมจะมากขึ้นวินาทีหนังลูกทีหนัง รูปไปทุกวินาทีอาจไปมันก็มันก็มากได้จับแมวโอ้จับหนูแมวจับหนูอยู่เลยถ้าแมวตัวใหญ่กว่าหนูแมวก็จับหนูได้แป๊บเดียวถ้าหนูตัวใหญ่กว่าแมวแมวก็จับไม่ได้ บางทีหนูอาจจะขี่หลังคอแมวก็ได้ลากแมวไปก็ได้มีไหมนะหลงไปถึงไหนไปถึงกรุงเทพไปถึงคนลากไปถึงคนขางเกียดไปหลงถึงควงมสกของทุกข์ลากไป <c oughs> มีไหมขี่น้อยฮะมันเคยลากไปมาแล้วทุกคนเป็นเป็น <c oughs> ถ้าเป็นรถก็เป็นรถมือสองเขาใช้กันมากแล้วลอยลอยโซมลอยเสื่อมแต่ชีวิตเราไม่เหมือนรถนะะมันเจ๋วเลยนะกวอมหลงแท้ๆพ่ายมันรู้ควทุกข์แท้ๆพ่ายไม่ทุกเนี่ยแม่มือสองมันก็ เขาอูอโซมงอูคืออะไรกรรมฐานมาเข้าอูกันเถอะโอมเพื่อไปใช้ให้มาจัฐานของที่มาจัฐานเดี่ยมันใช่ได้ผิดแล้วผิดอีกเช่นหลอดไฟเนี่ยเขาทดสอบมาเป็นหลายหลายพันข้างกว่าจะได้มาจถฐาน ยืดเราก็เอาลงไปทีให้มันมาตรานถ้ามันแช่ได้ไม่เหมือนหลอดไฟเลยไม่มีคำว่าเสื่อมเรียกว่ามัตตะคือมรรคผลนิพพานโน้นเย็นสนิดแล้วไม่มีโอกาสร้อเด็กเหมือนฐานไปที่มันเย็นแล้วนอนกอดก็ได้วางใช่ขาอ่อนๆนี่ก็ได้ มันจะไม่ร้อนเลยชีวิตของเราไม่มีส่วนไหนที่ร้อนถ้ไม่เย็นมันก็ร้อนได้ขุ้เจ้าดาะบะขีวรนลุกเป็นไฟปฏิลุกเป็นไฟเข้าไหนบาทลุกเป็นไฟอยู่ไม่ได้ไฟไหม ไว้ไม่ทุกชีวิตนะเพราะนั่นมันร้อนได้ก็มันเย็นมันก็ไม่มีอะไรอยู่ไหนก็เย็นเนี่ยยีดิตเราทวนจะเป็นอย่างนั้นให้มีมาสตฐานอย่าผูู้แพร่แพร่ตัวไม่ผูไม่แพรบเลยมันมาสตฐานของเช่นของว่าไม่ กระทบกระทือนเพราะนินทาสันเสริญจกทุกมันมาสถานแล้วเช่นตรงเชตรงก็ฟูอย่างนี้ไม่ใช่แคงแบบนี้ไม่ใช่มันตรงนินทาก็สันเสริญก็ได้ก็เสียก็คือ่ภาพแบบนี้นห้รว่ามาสถานใช่ได้ ตัวเองก็พึ่งตัวเองได้คนอื่นก็พึ่งพึ่งได้สําหรับคนประเภทนะั้นไม่มีพิษมีภัยแต่ตัวเองไม่มพิษมีภัยแต่คนอื่นเลยทีเดียวเนาะควรจะเป็นจยางนี้ในโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรมันทําได้อยู่ทําไมไม่พากันทํา มันต้องต้นต้นเจ้าตัวเองเป็นปเ จ, จกับบุคคลไม่ใช่ประเีนไม่ใช่เรื่องเกนเรื่องบังคับมันเป็นปัจเจกนับหนึ่งจากทุกคนหนึ่งก็คือเราเนี่ยที่มาหาเรารอยทีเดียวเอาละต่างน้อยเราก็สมควรอย่างยิ่ง เราไม่พ่อไม่แีแพ่บางทีเรามีลูกไม่เต้ามีพัญญาสามีมีเพื่อนอยู่กับป็นดินแม่น้ำโอกาสอากาศให้มันหนึ่งลงไปหากชีวิตเราต้องนับถึงทุกชีวิตเนี่ยถ้าเรามานับถึงทุกชีวิตมันก็ลด เนื้อเมื่อเดียวในโลกนี้จะเจย็นลงทันทีเหมือนแผ่นดินลาบเหมือนหน้ากองสายสาศาสนาพระศิลอาิยาเมตไตรจะมาตัดสลูองที่ห้ามันก็ต่อจากสำนัโคโดมนี้ยไป <c oughs> ลองไล่ดูสิไอเจ้าห้าพระองค์ ไม่เหมือนต้นมาน้าโยด้าปฏิจันพนนะสองต้นห้าพระองค์เอกหน่อยจะให้หลวงพ่อกรมเอาลูกมนาปลุกเสกแก่คนมีรูปเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หล่นลงมาต่อไปคงไม่เหลือคนจะเจ็บโอกกับหมด <c oughs> <c oughs> อันนั้นไม่ใช่ พระเจ้าห้าองค์คืออะไรไรด้หรืิได้ไหมได้ไหมเอ้าไม่ได้ยงไอ้าพระศาสดาห้าพระองค์หนึ่งกุกุสันโธสองโกนาคามโนสามกัตสโปสี่โคตโมห้าอัยยะแม ต, ตยโยเนี่ยทรงสุดท้าย จะทันไหมพวกเราอาจารย์ไหมถ้าตื่นสายนนจะไม่ทันนะนอนตื่นสายไม่ทันนะออ่ายะเมตโยกุกุสันโธอง์ที่หนึง่งนิพพานไปแล้วโ ก, โกนาคัมโนก่อนนิพพานไปแล้วกัสโซก็ไปแล้วองค์ก่อนองค์ที่สามก่อนพระพุทธเจ้าอ่ะ องที่4โกนาคารโน อ, อ, ะโอะไรโกนาคนนกุสโสอะไรโกนาคารโนกัจจโปโหตโมโหดมสัมณะโหดมคือพระเจ้ า, าอายะเม ต, ตยโยต่อจากพระเจ้านี้ไปต่อจากนี้ไป วันต่อไปต่อไปต่อไปอไปอันนี้นะเจอมาเจบมาสจบมาอะไรอาญยเมตยโยคือคนเป็นคนดีเพราะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของโคโดมเน่ถึงอาลียเมตัยแน่นอนแผ่นดินลาบแผ่นดินลาบเหมือนหน้ากองชาย เราจากกองใสไหมไปดูภาคเหนือกองสบัดชัยของเขาเท้ารถโยนแน่กองสบัดชัยยาเป็นห้าวาสิบวานอนเราทำองรถใสเอาไว้รถไม่มีเครื่องโยนต์ มีแต่พวงมาลอยมีสีโรเอาขึ้นรถเอาไว้ยอดไว้ในอู่ในวัดเวลางานประจำปีนะเขาจะเอารถเนี่ยออกมาแห่ก้ อ, อมเมืองอ้อมบ้านตีที่ไ่ะเจ็บหัวใจเลยสั่นไปเลยมันดังมากกองสวบัดชายแต่ตัวใหญ่ๆเป็นรูปกองสุขชาย ตัเล็กโอบอยู่บนหลังคาเหมือนลูกโบสถ ร, รู้จักโบสเป่าไหมมันอ้อมอยู่เป็นลูกเด็กๆอ้อมอยู่เวลาเขาตีกองสวัสดิชัยก็ไม่คนตีเป็นนะเวลาแห่ไปตรงไหนเคยไปแห่ร่วมพิธีทางเหนือไหมพวกเรานั่งอยู่นี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> ตาไปวิปัตนาจาร์ทั่วประเทศโตกให้เป็นตัวแทนของวิปัจนาจังหวัดเลยเส่ไหมนั่นนะเจ้าจังหวัดเลือกไปให้เป็นตัวแทนของวิปัตนาจารย์จังหวัดเลยนะออกมาต้อนรับเราตายอยู่จังหวัดลําพูน อำเภอป่าซางสาวงามตัดผาบาตตากผ้าตอนเย็นนะพอเดินทางไปถึงเราก็ออกมาต้อนรับโดยที่กองสวัสดิชัย่อ้นเล็บงามจริงๆนะป่าซางคนงามแห่งป่าซางเขาล่องเวงสงจำไมก่อนได้ยินไหม สาวงามแห่งป่าซางเรามาฟ้อนเล็บกรแบบวนนางฟ้อนออกก่อนของสวัสดิชัยตามตีเทอ ท, ทีหลังแต่งตัวเหมือนนางสวัส์ตีไปปาก็เห็นอาตีออมบริเวณเรานั่งอยู่แห่ไปตองสวัสดิชัยไม่เคย เห็นก็ไปดูได้อำเภอป่าซางที่อื่นไม่เห็นนะหน้าหน้ากองชายมันลาบไม่มีอะไรมือรูบไปเนี่ยเรียบลาบไปเลยเสมอภาพอะไรเป็นหน้ากองชายคิดใจของมนุษย์ในโลกในเหมือนกันหมด อันเดียวกันหมด <c oughs> เป็นคนเดียวกันหมดทุกคนมีสติสัพชัญญามันก็ละความชั่วทำความดีจิตก็บริสุทธิ์อันเดียวกันหมดเลยความหลงไม่มีความโกรธความโลภ ค, ค, ความทุกข์อิจฉาบียดเบียนไม่มีไม่แต่เรียบเรียบเรียบชีวิตเรียบง่ายเรียกว่าพระศีลอนิเวตยัย อยู่กับชีวิตของเราที่ฝึกฝนตนเองตามพระธรรมวไนยตามหลักคงสอนพระเจ้าเนี่ยกายา น, น, านปัจจนานี่ยไปทำห้เรียบได้อะไรก็เรียบไปกายสวรกายเวทนาศักเวทนาจิตสวจิตธรรมสวธรรมเรียบแล้วแต่ก่อนเป็นขึ้นเป็นขึ้นอยู่ที่กายสุขทุกข สุกทุกข์ด้วยคลื่นสุกทุกข์เป็นคลื่นเจรนาสุกทุกข์เป็นคลื่นยังไม่เลียบพอเห็นมันไม่เป็นไม่เป็นคลื่นพอเห็นมันไม่เป็นคลื่นคลื่นไม่ใช่ใจอันดิอันอน่ะฟูฟูแฟะแฟบสุขทุขทุกทุกดีใจเช่ใจไม่ใช่ใจ เปนคลื่นเมื่อคลื่นนั้นมาเกิดจากใหตปัจจัยเหมือนน้ำทะเลอามีคลื่นเพราะลมอากาศเปลี่ยนแปลงมันยกคลื่นขึ้นมาอันคลื่นไม่ใช่น้ำอันน้ำไม่ใช่คลื่นตอนนั้นจึงเห็น มันมันก็มันขึ้นเหมือนน้ำทะเลจิตใจของเราเนี่ยมันแป๊บเดียวพอมันสุขมันทุกข์รู้สึกตัวเนี่ยสงบแล้วถ้าเป็นเป็นขึ้นที่หัวใจก็สงบแล้วยินดียินลายสงบลงแล้วพอรู้ปั๊บเนี่ยมันง่ายง่ายไม่ต้องไปเกินอะไรอาศัยอะไรเลย อยู่ในชีวิตของทุกคนแล้วให้ทุกคนปรับขึ้นตอนนี้อย่าผูผูแผลแอย่าพอใจละไม่พอใจเหมือนเราสวดประสูตรถอนความบ่ใจและความไม่พอใจในโลกจะได้ในสติสัมชัญญะแล้วแล้อยู่เนี่ยไ้ยินไหมสวดสติประฐานสตดมาหลายรอบแล้ว ถอนเป็นไหมายหรือว่าท้องเราจะปากเป็นภาษา ห, หนุกแก้วหนุขนทองแก้วจา๋าจึงนข้าวกักล้วยว่เอาบักพริกให้จิน้นก็ว่าจิ้เข้าวกับกล้วยอยู่แก้วจา๋าจิ้ข้าวกับพริกมันไม่ว่าอันว่าจิ้นข้าวกับกล้วยมันจินบักพริกมันก็ว่ากล้วยอันเราสุกก็เรียกว่าเราสะเราทุกก็ว่าเราสะเรากลัวก็รียกว่าเราสา พอใจไม่พอใจด้วยว่าเรามันโกงไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ใช่เรากล้วยไม่เผ็ดเหมือนนั่นกล้วยมันหวานอพริกมันเผ็ดมันมีรสชาตินั่นน่ะสอนคองพอใจแล้วก็ไม่พอใจในโลกเสียไดย้อาตาปิจมชาติโอจิตมาทำไ้วิน่าหลเจ ธรรมะอะไรอ่ะมีสติแล้ ว, ลวอยู่มีสติแล้วแล้วอยู่วนเดึงไม่นานถ้ามีสตินะถ้าหลงหล้นานนานถ้ามีสติโอ๊ยแคบเดียวเหมือนกดติดคุกวันหนึ่งก็ตานคนอยู่ในความไม่ มีทุกข์มีเดือดร้อนวันหนึ่งไม่นานเ ก, กิสัตว์นรกร้อยปีเหมือนกับวันหนึ่งของเมืองเทวดาหมายถึงอะไร <c ười> คนมีทุกข์อ่ามันนานคนไม่มีทุกข์มันไม่นานหมดไปแล้วหมดไปแล้ว จึงร้อยวันพันปีเหมือนกับเมืองหนึ่งของเทวดาเทวดาเคยมีหิริอตด ป, ปะสัมปันนังสุกตะธรมัยตาสันโตเทวรรมาติมุติเลยผู้ใด้มีสติเป็นหน้ารอตายต่อความชั่วไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไี่เทวธรรมถ้าอยากเป็นเทวดาไม่ต้องปรารถนาอ้อนวอนก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราเนี่ย มีคนตายต่อบาปกล้าก็คิดมีสติพวกมันคิดว่าโอ้ยไม่กลา้าแต่พวกภูมันจำสนุกคิดสนุกความโกรธยิ่งสนุกใหญ่ไม่ลอมปล่อยวางนี่ไหมความโกรธเขาว่ากักกูเขาว่ากักกูออมาคิดจุู่เช่นนั้นนะเนี่ยมันมี อาหารแบบแบบพวกบายภูมิพอใจในความทุกข์พอใจในความโกรธนั่นหละอาหารเขาเราทำบุญให้เขาก็ไปรับกบพวกนี้ mm hmm. ขา่อเสวยอาหารของเขาเสวยวิบากกรรมของเขาเพราะนั้นจย่าไอาหารเขาตอเมื่อไรเขาประชตูประชีวีพ้นจากภาวะนั้นมันก็เอาได้ ได้ว่าทําบนบุทิธเนี่ยปล่อยเชตูปชีบีเนี่ยมันเฉล่งหาที่เกิดอันนี้พอให้ไปก็รับได้ถ้าเขาเสวยไมบากกับมองเขาขอรับไปได้เลยไปพูดในคนโกรธฟังไม่ยอมรับอย่าพึงไปพูดเหตุผลกับคนที่โกรธที่หลงไม่ได้ยังแต่ทาให้เราทะเลาะกันก็หยุดไว้ก่อนไม่ควรพูดกับคนที่โกรธ แม้เราโกรธก็ไม่ควรพูดเอวังก็มีด้วยระการเช่นนี้กราบพระพร้อมกัน